สองรบปปพาชนียกรร ม, มะปฏิปัสสธิกถาว่าด้วยการระงับปปพาชนียกรรม 424. ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุถูกสงลงปปพาชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปปพาชนียกรรม ถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้ถูกสงลงปปภาชนียกรรมแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับปปภาชนียกรรมเอาละพวกเราจะระงับปปภาชนียกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมระงับปรปภาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพียงกันโดยไม่ชอบธรรมระงับปรปภาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมระงับปรปภาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูประงับปรภาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น แล้วพร้อมเพรียงกันโดยทรรมปฏิรูประงับปปาชนิยกรรมแก่ภิกษุรูปนั้น